กตามล้างทำโมตามล้างทำโภเกิดมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธธรรมประสงค์ถึงไม่เกิดก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อจะเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นทอ์ก็ตามจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะขอถึงศิษยพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมมนมีประมาณเป็นสัจปรามีสัมปนูเป็นอธิฐานารามีสัมปนู เป็นขันติปารมีสัมปันโนเป็นทานาปารมีสัมปันโนเป็นศีลปารมีสัมปันโนเป็นอิคมาปารมีสัมปันโนเป็นขันติปารมีสัมปันโนเป็นสัจจปารมีสัมปันโนเป็นอริธานปารมีสัมปันโนเป็นเมตตาปารมีสัมปันโนเป็นเวขาปารมีสัมปันโน โยนมามีสามมีพโตธัมโมสัมโภสัมปันโนสัมปันโนงพ่อห้วพโธธัมโมสังโภมีานะสัมปันโนสีสัมปันโนปัญญาสัมปันโนภาวนาสัมปันโนการศีลภาวนาค่ะ ธาสีเนประวิคขาสัอเมุนมัสอนย่อนักสอนย่อปารมี33มามปาลมีสิทธัตฮานาปารมีสัมปัน โ, นโนให้ทานเสมอตนจินตนใช้ฮานาอุปปารามีสัมปันโนให้เหนือไปกว่าที่ตนจินตนใช้ ธาตปรมัฐปรมายสัมปนให้ของห่วงที่สุดของตนเป็นทานสีระปรมีสัมปนรักษาสินธรรมดาสีละอุปปรมีสัมปนรักษาสินเช่นไปกว่านั้นอีกสีระปรมัตถะปรมีสัมปนหิ้วข้าวจะตายด้วยหิ้วข้าวก็ตามถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ฉัน เรีวตประมาตเจ้ประมาตเะปารมีสัมพโนเนคขมาปะรมีสัมพโนออกบวชธรรมดาเนคขมาปูปารมีสัมพโนออกบวชแข็งไปกว่านั้นเนคขมาปรมาตเถะปารมีสัมพโนออกบวชแล้วไม่ลาศิกขาจะตายด้วยบวชก็ตามจะอดอยากด้วยบวชก็ตามจะไม่มีลาไม่ยดด้วยบวชก็ตามจะไม่มี อะไรอยู่อะไรกินด้วยบวชก็ตามเนียว่าเนี่ยขม้มาปรมทรัมนโนปัญญาปรมทรัมนโนปัญญาในทางพระพุทธศาสนาธรรมนาปัญญาอุปปรเมทรัมนโน ปัญญาละเอยียดไปกว่า น, นั้นปัญญาปรมัตถาปารามีสัมปันโนจะตายโดยใช้ปัญญาก็ตามปัญญาเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงส า, ารวิริยะปรามีสัมปันโนควางเพียนเพียนขนาดตา่าง วิริยะป ร, ร, รมสัมปันโนวิริยะอุปปาลมสัมปันโนเพียรหนักไปกว่านั้นวิริยะปรมัทธะป ร, ร, รมีสัมปันโนจะเสียชีวิตด้วยเพียรเพื่อคนทุกข์ในบรรดาสงสารก็าตามยอมตา ย, ยอมตายยอมตายต่อความเพียร น, นั้นเช่นพระบรามาาศาสด า, านั่งภาวนานกระดูกจะหักจะปุไปในวันนี้พก็ตาม จะเป็นจุนแล้วจุนไปวันนี้ก็าตามถ้าไม่สำเร็จว่าคนนี่ผ่านเลยจะไม่ลูกหนีเรียกว่าเพียรอย่างอย่างเอาชีวิตแรกัจจาป็นมีสมบันโนตั้งสัจจไว้พอขนาดใดขนาดหนึ่ง สัจจะอุปปาลามีสัมปันโนตั้งสัจจะไว้เท่นกว่านั้นสัจจะปรมัตถะปรมีสัมปันโนตั้งสัจจะไว้จะเสียชีว์เพื่อตั้งสัจจะขอตามตั้งสัจจะในทางที่ชอบหมายความว่าเราตั้งสัจจะไว้ในทางที่ชอ บ, ววชอบจะให้ทานก็ต้องทาให้ทานจริงจะรักษาศีลก็ต้องรักษาศีลจริง เรีกว่าสัจจะไม่ให้เสียสัจจะมันจะเสียชีวิตด้วยเสียเสียสัจจะก็ตามยอมเสียนำเสียชีวิตเรียกว่าสัจจะปรมาจารย์ปรมินสัมพันโนอธิฐานะปรมินทร์สัมพัโนอธิษฐานธรรมดาอธิฐานอุปปารมินสัมพัโนอธิฐานเช่นไปกว่านั้นอธิฐานปรมาจารปรมินสัมปัโนอธิฐานจะเสียชีวิต ด้วยอธิษฐานก็นตามสมมุติว่าเหมือนนกปูนี่แหละยกใกล้ๆอธิษฐานว่าสมาทานอธิษฐานว่าจะไม่ผ่าไม่ตัดในโล ก, ก, ด ก, โลกใดๆทั้งสิ้นนกเสือเรื่องก็จะไม่ผ่าไม่ตัดโนกหัวใจก็จะไม่ผ่าไม่ตัดโนกถุงน้าดี ก็ น, นิ้วคนจะไม่าไม่ตัดยองเสียชีวิตยอมตายคาคาสัตย์ยอมตายคาคาอธิษฐานเาเรียกว่าอธิษฐานปารมีสัมปโนอธิษฐานปารมะทัปารามีสัมปโนเหมือนกันหรือว่าสัจจะปรมะทัปรมสัมปโนก็ได้เมตตาเมตาปรมสัมปโนเมตาม ต, าามมมตาขนาด พอประทางพอประทางเมตตาอุปาปา ร, ป ร, ปรมีสัมปันโนเมตตามากไปกว่านั้นเมตตาปรมถาถะประมีสัมปันโนจุยอมเสียชีวิตด้วยเมตตาก็าตา ม, มเห็นคนตกน้มอยู่แม่จะตายด้วยเอาเขาขึ้นก็าตาม โศเสียชีวิตก็โดดลงไปเอาเลยตายก็ตายด้วยกันเับเขาเลยหรือจะว่าการนาปรมามัตถะปรามสัมปโนก็ถูกหรือจะว่าเมตตาปรมามัตถะประมณมิสัมปโนก็ถูกเอเบียขาทีนี้เมื่อช่วยเหลือไม่ไหวแล้ว ก็เลยโอเบียขามันเหลือไว้ยสาจะช่วยเหลือได้วช่วยเหลือไม่ไหวก็เลยโอเบียขาซะหรือยกกรถาหอนเช่นหน้าภาวนาก็ดีปวดแข้งปวดขา จะตายก็เลยวางอเวกขาซะจะเสียชีวิตด้วยอวัยขาก็ตามมันยอมเสียวางเฉยวุฒสาวางเฉยไปจะเสียชีวิตด้วยวางเสฉยก็ตามมันเรียกว่าพลธรเรียกว่าอวัขาพลรมถะพลธรรมีสัมปโ น, โนแต่เราพวกเราเป็นสาวกสาวิกาไม่ได้สร้างพารมีขนาดนั้นหรอก ยังบาลมีสิบสิ บ, สบทัท่านละ่ะทานศีลทานศีลเนกอมะปัญญาวิทยะขันตินัจกจะอธิษฐานเมตตาอเวเบขาธรรมดาไม่ได้ถึงปรมัถิบาลามีสัมปโนหรอกเมื่อเราทำอยู่ทุกวันนี้ละ่ะสร้างบารมีก็ถึงอยู่ถึงสาวกอรหรันไม่ใช่ใดก็าชาติหนึ่งสาวิกาอรหรัน ทางที่อยากกะพุนทุกง่ายนี่ก็มีอยู่ทางหนึ่งให้มีเส้นห้าบริบูรณ์ทางค้านวานให้กระคุ่นทุกในชาตินี้ให้มีเส้นห้าบริบูรณ์แล้วให้ทานรักษาเส้นภาวนาอันไหนกวางเพื่อกระพุ่นทุกในวัฏสงสารในชาตินี้เมื่ได้หวังในชาติอื่นจะทําอะไรได้ทํามากก็าตาม ในชาตินี้มีคิวไอ้ในชาตินี้ทั้งนั้นแล้วก็มีชิ้นห้าบดิวูนด้วยไม่ใช้ได้อยากลงละเมิดด้วยวกสานรักษาชิ้นห้าในชาตินี้ไม่ได้หวังว่าเพื่อนอื่นไม่ได้หวังว่ามนุษย์สมบัติสอนสมบัติทุ่มสมบัติอันใดหวังเพื่อคนทุกข์นะปัจจุบันชาติภาวนาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะว่าเพื่อ แต่ว่าภาวนาพุทโธก็ตามไม่อยากมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอีกพุทโธว่าไม่อยากมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอีกทำโมขมันกันสังโฆขมันกันเิเลตมีทายขอให้พุทโธทำโมสังโฆบรรดาลให้รู้ตามเป็นจริงเอาไฟปัญญาเผามันเสียหมดคล้ายๆกับมืดเมืทอไหรเราจะลืมตาแล้วให้มันสว่างเสียหมด ไม่ปฏิวัติพรพุทธศาสนาเราเรียกว่าบารมียังอ่อนยินดีเลพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าบารมีแก่ก้ามาแล้วจะทำให้มันอ่อนมันก็ไม่อ่อนมันแก่มาแล้วถ้าเราจะไม่ทำมันก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นที่สบายใจเหตุจากไหนจะเป็นอย่างนั้นพระบารมีแก่ก้ามาแล้วจะทาให้ลูกไม่ซี่มันเขาเราก็ทำไม่ได้ จะถือไม่มีบาไม่บุญเราก็ยังถือไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าทานศีลภาวนาของพุทธศาสนาฟาให้สตัตว์ทั้งหลายพ้ทนทุกข์ในวันตาสงสารอยู่อาบายมุกทุกประเภทต้องเว่นวัดให้มันเหลือถ้าไม่อาบายมุกเหลืออยู่ ควาเสียงพวนาของเราด่างพร้อยมันไม่ไม่บริบูรณ์ถึงจะทํามากก็ได้น้อยถึงจะทําน้อยก็ยิ่งได้มากถึงจะทํามากก็ยิ่งได้มากอันนี้ถ้าเราเ ว, ว้นอาไรทุกทกประเภทเราถือว่ามันทางเป็นทางชิ้หายโตโต้ไม่ถือว่าเป็นทางจะลอยนี่โหนเอกนี่โหนเอกบอกไว้แล้วว่าชิ้หายหน้าเดียวท่านเจ้ามือรวยด้วย ต้องผู้เล่นด้วยแม่เราจะท้าคตรจะมาเล่นด้วยกันกี่พันกี่ล้านพระองค์ก็ตามก็ต้องชิวหายอดเหตุฉะนั้นเพรารมศาสดายึ่งเคารพธรรมเราไม่ไดว่าอิดว่าปูแลาว่าพระคุณขององค์ท่านเาละทีนี้เหนื่อยมากเลยจบๆคุณโทรมวลนั่งป่ดปอดมามา เจดเจ็ดแปดเเนี่หกแปดซิกท่านนี่อ่าน้องเพื่อนว่าท่านไหนเจอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ทะเลอ่ะ พระเจ้ า, ข า, าเข า, า, ามาในกุญฑนิยมการทำหน้าที่ทักมันนั้นควรเมื่อตกทานทางหลายไมท่านไม่ศีนไม่ภาวนาะถึงว่าพุทธธรรมประงสงค์เป็นที่เพิ่มทานทางร้ายศีลสิบวิตตไปแล้วทานทางหลา ย, จ, ลลายจะมาเกิดได้แค่บาโลกพระเจ้า ประโยชน์ประจุบันพระพุทธเจ้าก็บอกอุฒิธรรมสมปรท่าถึงความเหนือความมันในการคิดประความเรื่องเชืิตกรณีแการทําธทระนาทีของตนแมข้างทุกบกรณีอารักขาสมปรท่าถึงความเหนือการรักษารักษาทรัพย์ทีแสวงหามาได้แข้างบริสุทธิ์เหนืความมันก็ดีราคาการ ของตนว่าให้เชื่อเชื่อไปก็ดีกนระยะนานะสมรทา a ถึงพ้อือการคบเม็ดก็ดีเนี่ยคบเม็ดนักเลงอย่างนักเลงสุร่านักเ ล, ง, กเลงเหลี่ยงการฟนันค้นชัวร์เป็นเม็ดเลชอกางานที่ชอบ ถ้าม่ชี้วิจาร์คุอย่างชีวิต็นในทางที่ชอบ้วไปอย่างชี้นในทางที่ผิดนี่อวัยวะมุขเป็นต้นอวัยวะมุขหรือมาความว่ามันชี้ไปยู่สึงนายสงปากรจกังวามุขะมุข ะ, ม, ขะมุขะไปลักษณะึง่งปากรบริเวณผู้ดได้ประเฮตกต้องชี้ไปเมื่แม่พระ อ, องค์เจ้า ต่อพระ อ, องค์เก่าปเทศกันชิพหายพระ อ, องค์พระพุทธเจา้าต่อพระพุทธเจาเ้าประเนกันกันชิบหายพระูท่านโชคพระโกหน้าขมานโาโกหน้าขาัตตโกโคตโมอริยเมตไตรโยบนีมน่มาตัวซุมกันบ้างครับตลอดทั้งโลกทิศโม่เฮาเลีนอาภัชกีวอนกันเ ล, นาาลีนอวาดกันนะชิบหายวัดอารถหอดหอดว่มีสี่เนานุ่งไปกินทบาทคนละไม่ก็กล่องน้าพูดอะไรพูด่ะไรกันละเปลี่ยนกัน เราอ่านว่านี่ว่าประโยชน์ปจัจรบัน น, นี่ประโยชน์นด้อนาคตสัตธาสัมภาาถึงความโดยสทัทธาเ ส, สือวาําดีเลยดีธาด้วยเลย้วยเป็นต้นเ <c oughs> สือวาคุณพรคุณระธาตุงคี้ีสัสมภาาถึงความโดยศีลรักษากายว่าการแกว่า้ไม่โทษ จากะสมร t h ถึงความเดือดการบริจาคท่าเป็นการเฉียดสุดให้แก่ท่านผู้อื่นปัญญาตรสมร t า a ถึงความเดือดบัญญัตรู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นอันนี้ภไพ่พังนาอันนี้ประโยชน์ในพระจักรวรรขาบอกประโยชน์ในไพ่พังนาข่บอ ก, ก, บอกสิ่งที่ที่จะเลื่อนพระพุทธเจ้าข่าบอก ่งที่เชื่ อ, อมพระพุทเจ้าขอบวใครที่ไปหัเข้าทศพุทธเจ้าพวกนี้พุทธเจ้ า, าองค์นีได้สักกานห้อยมือห้อยเว้นองค์ท่านเข้าขบวได้ไปกระร้ารววันในลางโผล่ในคนคนสงเพศเว ท, ทนาใด้ต่โลกธาตุทุกคนนะคนจะว่ารับสอนไว้แต่ทางสกอยันะร่างเกวาราปลิปุนั่งบ ร, ริสุทังพมจลิยัประกาเสสี บริสุทธิ์บริบูรณ์ทัทะท่านพยัญชนะแล้วแต่มหาภควาต่างอภิปุษยย่างในตามหาภควาญต่า ง, าาาา ง, าางศิลสาระมากนี่แต่มหาธรรมั่งแต่มหาธรรางๆจึงย่อมไหวายพระคุณพระธรรมพระสงค์ย่างแกบจมลอดต้องกระด่างกระเดือจึงทรงพระนามโรกกมีทูตโพลุพวกวกแก่งโลกจึงทรงพระนามว่าสัตถาเทออวสารางังปฏิเพิง ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งายทั้งคนสั่นตำ่ำสั่นสูงสั่นกลางตอนแดพ ก, กพระองค์เจ้าเข้ามาสอนตรงนี้การค้องเชิดกัสอนตระกูลเชียงมังค่างตระกูลเชนยงมังค่งางจะตั้งนานมาได้เพราะสถานศี่ชียงมังค่างมาได้แต่า้าชีีเงินจะแสนลาน้ลานก็านก็ตามหนึ่งไม่สียหทรัพย์ที่ห้แล้ว สองไม่บูรณะพัดสรุที่ข้าคคราสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสติหรือบุรุษทุศีนห้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังเชื้อรลงตะกูลควรเว้นสถานสี่ประการนี่เสียเพิที่ปันเงื่นปันข้ามานห่อเจ็บแม่สาเพินกษตริย์ขันห่เป็นผู้ทุศีนเป็นแม่เงื่อนเพาเงือนแหะคนทุศีนแม่เงื่อนเป็นแม่เฮื่อนเพระเฮืเ่อนคือคนยังไงคือคนเลียนเลขยักว่า นี่บอกมึงเวไม่บาลก็ตูู้้บอกงเมาู้ข้เล่นเรน้าเล่ยนบ้านเ่นเบอรี่นเ่น้าเ่นบ้าเ่นเบอเียนกเรีนชิบเรียนหายก็พดรอ เที่ยงยังไหนคนบอกว่าขิดหาย ต, ตรงๆงเราเสียงยังไหนอีกทีฟื้นแคไฟเจาหวังว่าจะให้มันโดดก้อนขึ้นมามันสีฟื้นมาไอ้บอกแตมีแต่สีเทาเนี่ยโดดก้อนก็บไมไปแหะทีมฟื้นนะพัฒ น, น, นาไฟบงโลกเกพื่อทีเอาโดดก้อนขึ้นมาโอ้ยเดดก้อนลางนึงนี่มันฟื้นมาแดงมาแจ๊ ส, ส, สกูออไซส์ซ้ำเร่าขิ่งเนเปิดตาสืไหลาในท่านแดงกีก่งึ่งกันกุญแจิมละเอียดเขามาไงของเา่าน ลูกะเห็นเท่าขึ้นก้อนนะบอกกันว่าเห็นเท่าคึ้นก้อน่ะดูแล้วยาสเตาพาโรมันจะเป็นเยนเปเปโตเปลีนเน่าแนหมอแล้วทเจ้าคนสอนนี่นเจ้สวสดกันยังมีดูแล้วยาเด้อยาเด้อเด้าสวัสเารู้ว่ามันเคลื่อนย่าสแไปเฮ็ดเพราะไม่ห้าสิบปันทัพปันศีลหลายปันไรก็ เล่นไห้ำว่าให้เล่นหน้าคาว่าหน้าแหละเราอิท่านเชื่ขอข้าัึกเสียง้ากข้ลร้ า, ลายอยู่ไอเจ้าเร่นเนขารู้รู้ใช่ไหมอยังเชี่ยน ม, มืออยู่เหรอเจ้าคำวายังไนี <c oughs> น่ง <c oughs> เชี่ยนมืออยู่ไรายบาดเตอไปเรื่อง ก็ได้ก็ได้ต้องร ด, ดยักษณะคือขานไมันก็ยักษณะเราไอ้เศร้ายักษินยักษณะเลขไ้เศร้ายักษ์นลักษณะการพนันทั้งกองกันไอ้เศร้าไอ้พวขามันรอบห้อใจเขาพันว่าเนี่ไปสูบยาได้ลงปูได้เศร้าได้ท่านสูบ ย, ย, ยามันเมื่อแล้วซ่วอมฟังซ่อมเหมือนจะเกล่อ มันเหมือนอะไรอยู่โอ้ที่เศร้าได้บ่างหรือลูกพูมันเปอยางที่เศร้าบะไรอะไรกันเบาจ้าขับปากเสียเราขับเศาอ้วนตัวเขบอกเจ้าขับปากเสียเราขับเศ้าได้แล้วตีเลยเนียขั้วจเป็น้าเศ้าจะไม่สมันมาว่านะอันนี้ก็อวั้จะเป็น้าเศ้าเลยเนี่ยขันเฮาขันเฮาบ้าเศร้ากี่หอีเด้ร่มองเาบอกเออรามของเราเจ้าอทันน่ะ มาู้าอีกรองอสิเยป็นยังไก็ร่องซก่อนนะมันไปมันจะไปพอไม่ได้ไม่ไมันบันพาเหรนี่มัเปเบอร์มนพาเร์เนี่มันเป็เบอร์เดี๋ยบอกากัแล้วสิไม่ได้มันพระจ้บัิเพื่อคนทุกข์นะวันตาสงสารคนพาเร่เนี่ยเลเบอร์เราเขาจะปลูกผมไม่ได้แห้งผูได้แห้งูกอาแห้งบาปแห้งบาปหลายเกิดผูกเอาพระผูอังนทุกข์นะวันตาสงสาร แล้วมาปล่อยมาเอาูกสวัสดิ์เสมาแม่มันสีดปาลายยาจะพักปเทศผูกมือนี่กับผู้ามือนี่หละจัเบิ้งอือปาลายไปไหนไอ้ยุ่งไลไปไหนพระจังหวัดสนนอกอือในจักรพรรษาเพิ่ว่าสันนอกเพิ่เจ้าปัญตายอันเพิ่จ้าปัญจิพายวันนี้อ้าระเจาัเษาอ ม้จักูไ่อง้จักมันมุงจักเล็บู้งจักใยบ้าสั่ต่อุ้งจักแล้วมันหอนมู้งจักเลขบว่าม้งจักนะมันชิบหายมันเพราเหตุใดสั่กรแมบวกมุ้งจักสั่งทําไปสั่งมามู้งจักเลขบบ้า้งจักก็แล้วมันมันออกตัวได้มันก็ออกตัวชิ้มหายม้งจักบ้าง้งจักมุ้งจักเล็ถ้าพวกมุ้งจักเล็บมันพวกว่าเลรียเล็ ผู้เรียนเรียกของผบงเู้างรกเลยคือผู้ปจับไฟคือไปรมท่านเพิ่งขอ้นงจักรไฟมันเป็ของห่อนว่าอะไเปลมรุมมันลุมทานเพิ่งแต่พวกขุ น, นขงขงขงางละพรจะเปิล ม, ล ม, ล ม, ลลมอ๋อ็ว่าของตกเส็งยงสอญญามันแพร่งอยู่เสมอมันกับภาวาการพานันน่ะเฮ้มันคือประเทศดีเมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อสละขอยอบกวาเว้นเมื่อแพ้ยอย่มเสียได้ทรัพย์ที่เสียไปทรัพ ย, ย์ย่ำชิบหายไม่มีใครเชื่อถือใครคาเป็นพิบมีนประมาทของเพื่อนไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยก็พวกคีเรกนั่งมาแต่งงานกัน ไ, ไ ม, ม, น ม, ม่เนว่าื่อไรเมื่อไรทางทางวันทักไม่ไปซี่ร่างขามเ่ไรไม่แต่น จะไปป็นข้าพระเจ้าไม่ได้พระมั่นผายีว่ามันก็เอาของพระองค์เจ้ามานลงเขาบ้างไกีน่ของพระองค์เจ้าพระกุฏิวิห า, มารมัก็นอนของพระองค์เจ้าในใน้น อ, นนนองพระองค์เจ้าเมื่เขาเห็นแกนอากาศคือพระองค์เจ้าเขาเอามาให้กินให้ท่านมาให้อาหารใสมาให้เลี้ยเลี้ยขี่เลี้ยเปิ้ลเปิ้น ไปเป็นขบวชคนันผ้ายางผ้ายมไปเล่นเลีนผาเออ ม, มันนอนสิแมนม่านอนสิถือแมันผ้าตกมารอฟมัมันเลือดไตพอกน่องคนน่องยังเหยียบของผ้ายู่หัวหนบอกลาวสรางว่า้าจะไปแค่กระเบือมุงตัวนเจ้าทางมันทางไม่ย่งไปที่ทางขางเดินวัดเดินวัดศกร้างวัดศิ ถึงดวงเสียหายกันว่ะแล้วจะไปเหตุยุดยุดดัชนะมันมีแต่ยุดเานั้นหม้อหนึ่งเน่อยู่ลงสีโรงสีละเอียดนี่มาเนี่มาครบกับผู้ขานี่ได้หลายปีเลยวล่าปผู้ขา เรียนเลขอปแกอเซียท็อแก้วับวันโอ้เอมื่อไระเศ้าเนอรลมันร้ายไปไหนวบนเป็นอันแล้ววโอ้ท่านโตเศร้าซาลาโตบาลเรียน เ, ยนนเนลข ว, ว, ว, ว, ว่าท่านผดวนหร เมื here, so ่อต้งเงินตัวตัเจะไปเลยญสารพนั่งทั้งขวงแล้วนั่นตัวเมเงินจะมาขี่ใช่ปาเขานี่เนี่ยวับนี่ออกปากกวกเลยมาเที่ยมาอยู่อาทิตย์มาแล้วเทื่อมาจังหวัมาอาทิตย์แล้วเถื่อโอ้ยแม่ควบแล้วปยนี่วะท่นเงินเมือจะเดนเาได้ใช่รึวะไอ้ขี่โหลจับหนายับหลังเป็นนี่เขากข้าะไรี้ยเนี่ร้ายแล้วว่านเขาได้ใช่แล้ววะท่านเดี ญญออหหเห็นอยยาประธานต่อถูกไหลูกหลานนอกเเห็นอาญาประานต่อหลานนอกหน้าถึหน้าถือค น, นท่ารอบเมืองท่านรอบเมืองมีไม่ได้บ่อดเขาหาเงินหลายแสนอยู่ถึงมาเดี๋ยวนึงแล้วเขาหาก็ไปซื้อหน้าซุ้มอยู่ใกลๆมาไหว้เน้อไว้เถื่นซุ้มอยู่ไกลๆเขาขายอยู่อยดอกว่อน มุนพ่อมุนแม่ได้นิว่า่านท่นพระเสือหน้าอยู่ใกล้มาไวหนิเงินชุบในตรงมดได้หนิว่าท่นดูี่ปเด็นเลป็้าเนวัดเนเบอร์กินเราแล้อันนั้นได้อันนี้ได้ว่าขังพอปอว่า่นพอสอปีมดอดรอดน่งเงนบ่อืมเงันบ่วะแมนข่วมบ่วะอันนี้คือกันะอันกนเจ้าเ้นแต่กินมันอะไ่จา่ยเนี่ย ของแก่พ่อมึงเห็นได้กินมันเหรอจังหน่อยแล้วก็เถ่านึงที่มันไม่ได้เติมนะมันเสียเติมตัวมันเสียเติมกันนะเอาทางลัดเพป็นหัวสนุะมันเสียทางลัดเป็นหเวออมึงว่ากินน้ำขู่อ่ะมึงว่าช่องแห้งน้ำขู่แบบว่าอื มันเสียทางรับแปล่าว่ามันเสียอะไรทางรับด้วยมันเสียทางรับไอ้มันจะไปเจอกับพระเจ้ามิหพระพุทธเจ้าข้องโลกก่อนมูเฮ้าอยู่ทางโลกพรกิริเลือนพระพุทธเจ้าอยู a ่ทางใต้พกศริลือนพระพุทธเจ้าได้ประสบการณ์มาเหมือนล่ะจังใดมาสอนมาสอนเ้าโอ้สัตวเจ้าหน้าให้เฮ็ดกัข้าเก้าอี้หักวัดเนี่ย มะข้าเก้าอี้าสีงไรเต้เงื่อนเดือนแท้กับว่าพ่อกินกบว่าพ่อกินแล้วไปเลยเลขวัดลองสั่นพอกินเงื่อนใต้โต๊ะใต้เตียงกัว่าอะไรไปคือการเงื่อนนี่ถ้าหมเงืนว่มันท่างพระองค์เจ้าท่าเชพหายอพัเขาเมียพระองค์เจ้ากรบอกรองเจ้ากระบอกรบเขาเมีย ก็หลบมาหลายวั น, นี้วหลบคนบริวาเลย <c oughs> อุททาหวินเตกนั่งคนมันยอมหาซับได้มันบริวาให้มันไปไเรืยเรื่อไน่ยริเวรเดมันให้เบื่อแ่งานนักอื่นมนน้เ <c oughs> มันจะทังาทั้งงกีล่้าแัวมาดู <c oughs> เลย ว่าไปทางลาดนี่ไปเสียทางลัดนี่ไปเสียทางราดไปทางลาดไปเสียทางลาดชิ้มาทางลัดสองประตูท่านเอากันมัดเกี่ยวหนามเข้ายังชิบหายคนนี้ยังไมยท่านเสียผ่าตรงไหมอีกเราบอกนั่นเจ็บนันเจ็บปัญหาชาวมูอยู เ็ขาจเจ้จยอยก็เข้าเห็นของมาบบริษัทบาลเลนกันอยู่ยเด <c oughs> ี๋ยวนี้เศร้าละเมื่อวานแค่ทำงานแลพี่น้องเอ้ยเมว่านทำงานละนั่งทิว่าไปต้องอีกตัวใครมึงถือบาทนั่งกูจะายลาด น, นึงวาสันไปชิปหายแลเมื่อนี้ยแล้ว เป็นซักกันน้องเลือดกันได้เมือนี้แล้วพอพูได้ถือแล้วก็จะพูนกันได้คากันี้กันต้องหายกันกับปรันห์ฮะนี่แมนว่าสัตว์ยววองยังจะทำนั่นว่ายูวองยัง่ะหายถือบาดเนื้อแสกที่แปดสิบมันถือบาดเนื้อกูจะหาย้านเนึงหรึยังหายผ่านร้านยังสี่ข้อลอมึงนู่อ๋ขายขายหน้าลงใายรถเนี่ยขายลูกขายเมียขายผัวขายรถเนี่ย ว่นี่และวัด ท, ท้อ ง, งนเงนะวนี่แต่นองเลือด ก, ก็นอดแล้วเขาถึอแล้วกับ น, นี้ี่ฮะนี่กดนี้จากบ้านคุ้มขากันที่นี่แม่นบ่ของอันนี้ทำมันทั้เจะเลิศพระเจ้ารณาขอบอกไว้แล้วมันทางคีบหายนักเรียหญิงนักเรียนสุรา นักเลงเล่นตานพนันจัดข้อหน้ากาพนันพบคนชั่วาเป็นมิตรเกียรติขั้นทํางานในทางที่ชอประตูใดประตูหนึ่งก็เชื่อหมายทางนั้น ว, ว่าหาวแต่หมดคู่ประตูได้ยังเอาเ้าเลือกก็เลยเล้าเป็นนักเลงหญิงมองดูเป็นนักเล ง, งเนนเลสุล่าบองลูเอา้าคนฉีเหลาที่ใช้กามาศ น, นี่กั่นไอ้เชี่อหมา ย, ยากัน ก็ว่าตัวเลขแล้วเขาอย่างเกาะตรทคาี่แล้วเพรนว่าต้นราคาสี่รอกอย่าเขาตีมั่วอย่างเงีัยน่เขาเขาเห็นตั่เจอหะมั่วตเออมตูเออไปลงกันมึงดูอันนี้ก็ะรางกรชิบไม้กันนะทำเดียวกันมันแดงกัดกันเดียวนี่ก็มาล้กันมึงดูนี่ กขไม่เขียหายอ่ะเออแข้งว่ามื้อนี่แขงว่าแข้งเลื่อนมั้อนี่จัดเขาในอันนี้หดนะกุ้ยส้นกันงูนี่มุ้งว่าตัวไ้สีแพรตัวไรสีชนะร่กันไปมื่อรุ่แอนต์เราบางรูกเมนีเนียปักปูโมนีาเนี่ยเรียกว่าจัดเขาในกรรมขาวนวดวางนนดึงน้ำกันงูนี่นู่สามนี่มุ้งว่าไรสีแพรไรสีชนะ กล็ลงตันงลงลู่แต่คิดหายบนแกัสเขานการคนนั่นบนขบว่ารด้ตรมอย่งแล้ ว, ว น, นั่นควบค้นสูบเป็นเม็ดมุ่นควบค้นสูบเป็เม็ดมักระพาไปทั้งซูบ ท, ที่เสี้ยวเรายี่ป่นหันหอมหวานแทรกเพราะวา่าไปเทาะเพราะวา่าการการขบเม็ดพระพุทธเจ้าขบบอก ไม่แทสีจำพวกไม่มีอุปการะมิร่วมสุกร่วมทุกไม่ได้ประโยชน่มิมีความรักใครมิมีมีอุปการะมีลักษณะสีป้องการเพื่อนผู้มาแล้วป้องการทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อมีไรเอาเป็นให้เพื่อมรักได้เมื่อมีสุระช่วยออกซ่ามากเกินกว่าที่ออกปากเพราะว่าไมิร่วมสุบร่วมทุกมีลักษณะสี่ขยายความรักของตนแก่เพื่อนริดความรักของตนไว้แพร่งพรายไม่ละทิ่งในยามมีบัตร แม่ชีวิตกว่าสระแทนได้มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะตสีห้ามาันกระทำคนชผิดให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยน้งใจอันงามบอกทางสอนให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะตสีทุกข์ก็ทุกด้วยทุกขก็ทุกด้วยโต้เถียงก็ที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพุดสนัตเสีนเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้คนเคบมิตรปฏิรูปรคนเทียมมิตรเมื่อคนเคบหนึ่งคนปอกรอกสองคนดี แต่พูดดีถ้่ปากคือสามคนหัวไปจบสี่คนชักชวในทางคิดหมายมคนสี่จําพวกนี้ไม่ใช่มิดเป็นแต่คนแยมิดเนีย่ยประคมเนอะมันจะคิด ห, หายรายวอดรายสบายหนึ่งคนปอกรอกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาจะได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเอาอของอันเด็กสี่ให้เพื่อนเอากระถ้าเอาของเพื่อนรนาะคาต่างที่พัฒนาพันเสียให้น้อยคิดเอาให้มาก สามว่ามีมั่วมไพแก่ตัวจึงไปรับทํากิจธุระของเพื่อนนันนี้ไพ่มหาแก่ตัวเละไปทำการทํางานให้เพื่อน่ะเพื่อที่ให้ขอเงินเพื่นหนอกไอซอยอน่งซอยอันนี้ครับตาซอยอำเภอเทือกไพขอเงินเพื่อนว่ามีไัยแก่ตัวจึงรับทําจิจของเพื่อนคือคอบเพื่อนเขาเห็นแก่ประโยชน์ของตัวก็บายได้สิก็บายเอาของเพื่อน พบเห็นพบเพื่อนพบเห็นแก้ประโยชน์ของตัวคนหัวไปจบนี่รักสนาสีแก่ทานี้เขาอยตามไปฟังเข็บ้านทวายเที่ยวไปไปน้าไปกินลาววันทวายเที่ยวไปน้ำไปเด่นโบอกวันทวายเที่ยวไปน่้ำจะทาดีก็ค่อยตามจะทาเจทย์คอยตา ม, ต, ามต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งเงินทาคนในทัอันนี้ก็าไปควบคุมกัน คนชักวนในทางคิดพายไม่รักสันติหนึ่งชักส่วนดื่มหน้าเมาสองชักชวนเที่ยวกลางคืนไม่มีประโยชน์สามชักส่วนให้เมาในการเล่นสี่เซ็ตชักชวนเล่นการพนันมิตรสี่อยพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเตรียมมิรไม่ควรคบเนอะน่ะพระพุทธเจ้าบอกมหุเพราะว่ากินแล้วก็เสื่อมเนี่คบมุขเ่อนกันเพื่นว่าเนอะก็พี่ว่าคบกันว่าเนอะ เราพี่ว่าคบกันนวันนี้ถ้ามาสทเจะเลิกเรากุฏเจ้าห้องก็บอกว่าจะข้ามันทีจะเลิกเรากี่เจ้าห้องบอกว่าไปหาข้าวกระชุบประสุบข้าวกระเร็ดจากนี้ถ้าวกระเรดจากกอาไว้ำตกกระทงว่าพุทธประประสงค์ เอริมพระพุทธระธรรมพระงสงฆ์มันที่เพิงสุขสรรค์ุก้นไม่ลึกได้ไม่ลึกได้กิดี่ขาหม อ, อกขาดถวอยชีวิตต่อพรุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถกเมือม่อหมายว่าครับธรรมหาอยากชีวิตโดยทั้งที่สอบเป็นพุทธมามะกะสิมิชินบริบูรณ์นีสินหาบริบูรณ์นะครับพอเมรค่ะนจะ้อนั่นนั่น ตัวนนอะไรวนี่ยตัวหนึ่งฮ่านั่นุก่นนั่นนั่นนั่นนั่นทุ่นนั่เพี่นนั่นสู่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั้นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่านั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนบรนนร่านั่รนั่นนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนั่นนบ่นั่นนั่นนัมี มนเียนเียนไรก้เลยกม้วนเลเฮ็ดดอกเหรียเอาเฮ็ดไปนี่เลยเอาูโททั้ม้วนทั้งกลนี้มันจะมารักษายากมันจะมรือมไปอาบน้ากักอาบนี่ถ้นเาห้องเฮ็ดเลี้ยนไว้ลราเขาไปอาบน้ำเอาน้ามันก็ลืมอันก็ไม่เลี้ยนพาแหงนะันตื้นปิบัตแล้วมันตืนอ่านไปสิพ่อยิอไปห้จินนทาี้ เป็นทุกปทุกขนโอ้ทั้งโมทั้งโคห้าจัางอนหน้าจังไรไม่จังสิบคนทุกตัวมันยังเมียนสิมาถามาเล็กี๋ยถามอาเล็กถาห้าทางจี๊ฝ้ายตรงนี้จะถามผ่าจุนร่างจุนเซนผา คือข้าว mm. าหน้ายังไงอีไห้ท่านยังไงราคาที่นี่างไง๋มันจะเสพคนทุกสมาทุกจะมาเกิดาันเนี่ยจมาคุกแก่ทุกเก็บทุกตายปให้เจ้ได้เสียเลเขาซื้อพนิพัาธง่ายๆตัวมันจะเมียนหรือว่าเสียงเลนเล็กงูมันแนวโผ่นี่นีแหละโผลมหาโล่นะกา โพดเนี่ยพรบพุทเาโพดครับพระพุทธพระมาทรัสพสงโพดทรัสก็โพดที่สั่งะหายละสั่วท่ำดีเดี๋ยวเ่าโพดไายเว้นชั่วห้ทําดีเดียวเขาโพดเดี๋ยวาเมตตากันฉันเปย่อใส่เพาะาเมตตาเมตตาเหตติภัยวันเนาะอันี้ตะลั่งขุนจักษเขตลังต่งโยกกระทะเที่งเอาไว้เดี๋ปลูกวันลกเออวันแล้ววันแล้ววัแล้ววนแล้ว มันก็เขตบแบบของหลอของตัวอืมไปก็ชดว่าชดผ่านเลยมูกระถืออะไรบูอะไรก็เออไปมันไลนำไปตาหัวนำไปหัวก็ได้คีบแาบไปตาหัวแ่ะแลอกปวดหัวมันก็หนี้หรงดีๆมาแต่เนาะอะไรแบบลูกปูอะไรแเด้วยโอ้ยโอ้ยคบแก่คบเก็บคบตายคบแก่เก็บตาย มันม่งื่อได้สุดพนไปได้แหละมุ่ไปอหนึ่งกันหนึ่งนงะนงเนร้น น, นนี่แหละอืขาตูอยาท้าไปอีกหนึงรัพรานาราวังสมาธิป็นอย่างเด็ดมไปหน้าไปอันก็เป็นความป้องกันนะเรื่องพระพนา ถ้าหากว่าเขาซ้อมหน้าเนี่ยไม่ไปพร้อมกัน น, กนี่ถ้าเขาว้มามันจะสมาธิไปก น, นกำมิศีนตัดศีนลงในกรรมฐานที่เขาตังไหวส่วเป็นตัวพต่งไหใรมหาใจเขาออ ก, กตัตัดศีนลงหันตั้งสติไหวในสติไหวในสัมผัสนะควารู้ตัวในรมหใจเขาออกกันจับเป็นตัวศีนจับตัวเป็นสมาธิก็ตั้งมันเยอะในหัน การักจัดเป็นตัวปัญญาพอเราครอบอยู่แล้วเห็นมักจะเดียวกันคือเห็นเห็นหน้ากันเห็นนาเห็นตาเห็นดังห้องวาย่อแต่เห็นหน้าคือก็จริงว่าจะเห็นหน้าเห็นตากันเพื่อนห้องวาเห้องย่อว่าดก็จาหนังคือไม่จริงว่าก็ถึงทั้งเงื่อทั้งกระดูก่ะห้องวาจําหนังนะสันนิษฐานเท่ากับว่าเกิดสมาธิว่าเห่น มันก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญายุทนการนั่นเสดอสางเกี่ยวเรื่ความกานัดเข่าเรื่องห้องว่าออกเสือกตัดศีลลงไมกรรมฐานที่เทาตั้งไว้ตั้งมันในกรรมฐานที่เท่าตั้งไว้รอบรู้ไกรรมฐานที่เทาตั้งไว้มันกับศีลสมาธิปัญญาก็อยุทธการนั่นเพิ่ว like ่าออกศีลอบลมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาอันนั้นเป็นเรียงออกห่างมันสัเสอกแต่ไปแทรกไปจักอันไหนอับลมอันไหนเราไม้องยุทธการนั่น ไม้ไม้สามเกี่ยวความกันฟันเขาอ่อนี่ยไม่นอยืรัดกันละคือดินน้ำไฟร่มธาตที่ดินน้ำไฟร่มนี่แหละเพราะฉะนันอันไหอบรมอันไหนั่งผคนเลี้ฟน้ำเน้อเกดูกเกินนั้นกระดูกมากเข้าใจตาบ้องคือแต่ปลอดภัยง่ายแต่น้อยอาหารไม่อาหารเก่านี่สมมติราเป็นธาตุดิน้าน้ำหมดดีเสียดต้องเลือเงื่อนมากนตาเพ่ว่านำไร่นำมูกนไข่อนำมูดอันนี้ไมอยืดรัดกันนี่ ลมพัดขึ้นรมงวนร่พัดล่องวตามล่ในท้องข้องในใส่ล่องพัไปต่างต่อร่อพัใจเขา่ลาล่มงพัออกเนี่ยท่าทั้งทีไอเที่ยงกให้อุ่นไฟเที่ยงกห้สุดต้มไฟเที่ยงกายกวนก็ไหวไฟที่พออาหารห้ยอยมันกับพยุงกัน ي, ที่ทั้งขาดที่น่ะมันมันแขงสุดุกันได้เียิ้นสมาธิพญ่ามัานกับสมดุลกันย้อนกลับมาเปนเสื้กสามเกี่ยววที่เป็นเสี่เกี่ยวอะรมกันย้นรวมเกินกันเนี่ย คือดินน้าไฟร่มเลยเข้าพิฆารดินดินยังสิมิเขาพิฆาตน้ำน้ำน้ำยังสิมิเข้าพิฆาตไฟไฟยังสิมิเข้าพิฆาร่มร่มยังสิมิทีงสัมมันโกเมงกบเป็นที่มันมีจักรท่าแล้วมันเป็นพลังพลังางนานนี้ต้องการันรวดหรอนภูมเงียบภูมิเงียบปัญญาปัจฉิรค้าศีลมาได้ปัจยัยาตรนักศีลเว้ามาหน้ามได้ กูไม่ีสมาธิกับวัด้ตั้งมั่นในทานในศีในพ่อว่าได้มันูวัด้ตั้งมั่นในพระพุทธธรรมประสงได้เนี่มันตรงนี้เข้ามาเดียวกันมันไปพร้อมกันเน้ก็คือค่อนเท่าแล้วเกิดมาเล็กน้อยมันว่านแกนั่งกับพ่อนแกเนี่ยกับว่อนแกกระดูกกับว่านแกอันก็เท่ากัน คำพวกพออ่อนนะพออ่อนทั้งเปือกอ่อนทั้กะลาอ่อนทั้งหนามันสีนคือกันสินแก่กันสมาธิปัญญาแก่ขึ้นกันอันเดียวกันนั่นสินพระโสดาบันสินพระทัทขามิสีนพระอนาคามิสินพระรหันสินสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศินสมาธิปัญญาของพระสัทขามิสินสมาธิปัญญาของพระอนาคามิสีนสมาธิปัญญาของพระรหัน ของพระละหันนั่นเต็มร ve okay. so ุ่มล่าสิ้นสิบมันที่พาตเขาเปิดมันเคลนไปพร้อมกันพร้อมกันต้องกรคือพระญาตไปแล้วขาเข้ากับไปหัวก็เข้าเข้าไปพระญางิไปเนื้อน้ำว่างสเข้าเข้ากัไปไปพร้อมกันเข้านํากันร่างน้ำตาลนี่ต่างอกของสันว่าผู้ขาวมแยกย่มาม่นแยกก็มาสงสัยผู้ขาเวลาอบสิ้นอบรมสมาธิกสมาชิอบรมปัญญาขสันสินมันแยตอนไหนตอนไหนเนี้ยมันก็อบรวมกันด้วยละหันละ พออบรมแม่แม่ อ, อบมพอ้กันนสายู้ะลุงยี่พอแม่เ้าเกิด <c oughs> เป็นคนมาไหนน้อะไซึ่งกันและกันเนะขาข้ามนเะขาข้าขน้า อ, อบรมกัน ย, นะย่น่มี่ยวเขายุ่งเขาม่น้ำเมันเป็นเขาอะไรกันนะอส่ว่าคนหวาซื้อรถหล่นห น, ห น, หนินอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาหล่อนว่าโอย้ยเธอหลอไม่เปลียง พ่อให้หลายอันไล่มันหลงพ่ออันเดียวกนะันล่ะศีลยุคนี้กับสมาธิขยุคนี้กับปัญญาขยุคนี้คืออันศีลกับทัดศีลลงหัวใจสมาธิกับตังมันแล้วในหัวใจปัญญาก็รอบโลกในหัวใจแน่มันกัอันเดียวกันลนะ่ะคือห้องมือกนตาทั้งทีล่ะพร้อมเห็นทุง่งก็พร้อมกันทุบไปเถอะพร้อมรับก็มือกพร้อมกันทุกไวจากอันไหนก่อนนหลัง กิริยาที่รับก็มืดพร้อมกันพับโรดถ้าม si ืนกิริยาที่เห็นหงก็มืดพร้อมกันพับเพรเห็นในก่อนในหลังถาพี่กนาศีลก็คือกันแต่สมาธิก็ม่ยึดหานปัญญาเยในหันเพื่อนคนรู้ปัญญาศีลพิก็น่าศีลได้บอกศีมาสมาพี่ะหน่าสมาธิได้บอกพิ่ก็นาปัญญาได้บ่กโตลงศีลสมาธิปัญญายึดร่มกันจักในก่อนในหลังนอนเนาะมันยร่วกันคณะเดียวโรดมันอยู่คนละบอน เห็นศีลในปัจจุบันชัดเห็นสมาธิข้อตางมันในศีลชัดเห็นปัญญาข้อรอบกรอบในศีลชัดเท่กันเห็นปัญญากับเห็นศีลคือกันล่ะเห็นสมาธิคือกันล่ะเริ่มหายใจเขาครั่งนึงสิมีทัานศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันพับรลยริ่มหายใจออกครั่งนึงสิกําลังเห็นกํำลังพิจารณ์มีทัานศีลสมาธิปัญญาปมเกินกันยุ่น่มองท่านว่า ไม่ทั้งสติสัมปชัญญะคงเกินกันดูเราพี่จะน่าทุกข์เพราะฉันก็บพี่นีกับพี่จะาทุกข์เป็นอารมณ์พราะของร้าใจเขาออกเขาไม่ทั้งศีลนาที่ปัญญาหรือกันมาพี่จะน่าโรคเพาะฉันหันใจเขาขั้งนก็นเป็นโรคเพราเกินไปควรจนแตกสลายเห็นอันนี้จางคณะนึงก็เห็นโลกรอบนึงหระเนี่อันผู้เห็นโลกให้มันไบอนผู้ศีลกับสมารถภาพญนาเป็นแล้วมาคิดกันงงนั่น เห็นเไมท้ายใจเขานะเขาครั้งนึงหรือออกครั้งนึ่งที่กรณีถ้าเห็นสังขารและกองทุกนั่นแหลตัวอันผู้เห็นสังขารและกองทุก น, นั่นแหละนั้นว่ามันตัวศีลมันว่ามันตัวสมาธิบว่ามันตัวเป็น ญ, ญาติว่ามันตัวพระพุทธพระธรรมประสงฆ์บอกงานอันเดียวกันให้แล้วพอใจแล้วน อ, น น, อ, อนนี่น้ออกงเกินกันด้นนวยจะไปแง่กับไปแง่เขาบุญไหวบอกไง นั่นอมนเกิดขึ้นมาทั้งนี้เหตุรัศมีมันเกิดขึ้นมาทั้งตัวเหตุนั่งผลก็นังเหตุดอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดคือการเหตุสงสัยผลก็สงสัยคือกันเหตุว่าสงสัยผลก็ว่สงสัยคือกัารลองสั่นมันอยู่ที่หัวหางกันพกเก้าเรียนี่เหตุจับผลก็จับนี่เหตุว่างผลก็ว่างนี่เหตุจับผลก็จับนี่เหตุว่างผลก็ว่างเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยน่ะ เหตุก็ผลพยโยหังกันพ่อเก่าเหตนไปทังบาทผมโคัวผลก็ไปทา้งบาตเหตุไปทางการมัลวิต๊กผลก็ไปทางการมัลวิต๊กเหตนไปทางพญาบาลวิต๊กผลก็ไปทา้งพญาบาลวิโต๊กเหตนไปทางหิ้งสายวิต๊กผลก็เป็นไปทั้งเบียดเบียนทุกั์นั่ะเหตุก็ผลพยโยหังกับพอเก่ามือใกล้กันเห็นรับตาผลก็มืดเหตุเห้นผลก็เห็นฮวงนั่นอยู่ห่างกันพอเก่าอยังนัะ พอใจแค่ต้อนถ้าบอกว่าอมันใกล้หันวันมันแมนแมนทราบทราบไปทั้งอื่อนเราพอเห็นหลือเหตุมันเกิดมาในผลมันกนระยุปัญหามันก็แ ป, ลผลปรผวนอวยบ้างมันกระรับไปปัญหาทุกอย่างซึ่งทั้งนั้ น, นมันเกิดด้วยเหตุมันกระรับด้วยเหตุคือก่าบาปเกิดโดยเหตุที่ทํำบาปที่แล้วบาปกระรับด้วยเหตุเทําทบาป บุญก็เกิดด้วยเหตุที่ท่บุญสต่ราท่บุญก็เป็นเหตุไปท่านบอกใช้เป็นต้นเหตุยิดใจอันเป็นเหตุเป็นหน้าทุนมองเป็นผู้วองการเนี่ย เดี๋ยวกทาววรกาตนแล้วโอ้ยพั้ายทุ่งแล้วยฉันก็ได้ะอย่างงี้นวาพุทธพราพูดพระธาตุระสงค์อยุจัเฮ้าหันะมา้เฮาพี่ก้าลูในใจเฮ้าหันพุทธโธอายุจั้ธาตุโมสร้อยสังใจสังโค์ก็แปะปฏิบัติใจ ปทีบ้านไปมันถือว่าเธอเธอเธอก็รู้ขอนอยถ้เกิดมันถ้เกิดปีติไนะปติมันคเอียมใจมันคเอียใจมับเอียใจพอใจมันเกิดปีติแต่ว่ามันกเมื่อา่างมันกระโนออกคือกันปีติควเอียมใจสุกนี้มันยังเป็นสังขารอยู่บุญสุกนี่ยังเป็นสังขารอยู่ อืจัดเขาในสัง ข, งขารอยู่คนส่นรุ่ครับรุ่มเมรุ่มเมเป็นไปเพราะไทยคป็รุ่มก่วนอีกแต่ผู้ให่ออกไทก็รุ่มแมนะเออเก่งก็ส้มยอต้มมือถูกแม่นอันนี้ก็ไทยอื้อ จะรับกันโอ้รถปูมันน์รถปูมันน์มัน่าใคยรับกระถิ น, น, นคือเขาบอกล่าวาเขาชอบกระถินเขาก็ับมาหารถปูมันถามว่าแต่กหนึ่งสมัยกันแล้วช่วงพัฒที่สองข้อทสามแปดสิบเก่าเก้าส2กบสิบสองพวกที่เที่ยวไปหารถปูมัน คนต้างจังหวัดก็มีนางท่องสุกเข้ามาหน้ามูลนกับนายวันเข้ามาหน้ามู้นดุพลาดไปหานาร้วงนะวกุมารเอาไวนะถ้าของเทวก็มีานางเนงียยหงแท้โคต่ดดษศีดาถนนวารจักรเขาขช็ชชวนกันไปสองคนเขาชวนกันไป พอไปถึงแล้วเขาก็ไปบางสกุลเลยไปบางสกุลว่างไหมบางสกุลน้องู้กับไปซักบางสกุลชักกับบางสกุลแล้วครับน้องผู้กับสร้างเอาจักอ่อยยังมากในบ้านมากจักมมบก่มี อ, อยอะในวัดเกือจังหัมือเนี่ยที่ยืมเขาเอามายืมเขาฟรีราชีขั้นครับ ออกพรรษเนี่ยคือสมเมอสมเมอมันไม่ยึดประจวัดจัของพของมันมันก็นมาตัด่าตัดแพ่ให้มูวใหพ้พวงหลวงปู่ ม, มหาบัวเป็นผู้พีแน้าออวดตัดแตงหลวงปู่กอนเ อ, อาสมอมาให้หลวงปู่กนมีอันนี้ได้เป็นตงไหอันนี้ได้เป็นตังไหเอานะซ้ำน้อยเสียบาซ้ำก้อน่อย ล็อ oh, ่าเออันนี้ก็ได้เอาสั่งตัดให้ล็อบบ้ตัดให้ล็ูแล้วราครับตัดให้พวกลำดับลงมากลำดับลงมากคันปีนด้มันไม่หน้อยผ่ามันไม่น้อยเพิ่นกับพี่เจนาเพื่อได้ขาดเกินตัดให้พวกนักกรานพ่อจะครอบกันเพื่อกระตับเป็นลำดับลงมาแต่ผู้ใหญ่เขาออกไปเขากับ แต่เขากษียนแล้วล่ะฮารังเทียเขาเกษอยณหกหมื่นเจ็ดหมื่นเขาจะเมื่อเขาก็กกเรื่องหลวงพ่ออุบลพระยอดเขาเขาบอกว่ามาจากไหนไปถอดกระเท็นหลวงปู่มัน่นเขาชอบเขาเขาพูดออกแต่ไอ้ข้อม็นจริงๆทอดบางสกุลเป็นคนรับกันก็บพราว่าขัดข้องเพียงแค้คเพา ะ, ะก็รับอยู่ เพนกียมให้พระเกียมไว้ตะสวดกถินอยู่เกียมพระไว้ตะสวัดกถินอยู่คนเขาบางสกุลก็แล้วไปเพิ่เพิ flavor, ่ ก, พาาาร ก, กระเะเพิ่กระเาะหกถิ่นเพิ่มผมว่าพระบางสกุลก็มีอันนี้สองร้ยกกินสับนกันน้องสิคนบอกสิพระบางสกุลราชปะศีชั้นก็เป็นพระบางสกุลอยู่เื่อมันขาดนะพระกะถินถ้าขาดแล้วก็หมดอันนี้สองกระถิน ่าองมนนอมเหมือนได้ยุบุญส่วนพระอนุษดอันนี้สงฆ์ขง เ, งเขาใจแต่ตัวไหนไม่ได้ยิ่งแต่เขาประวัติทอดกัดจินธรรมดานีครับทอดมาหากัดจินคนครับถ้าทราก็ดจนเขาใส่ซื้ออออ่านอ่านเบิงของหลวงคูเขียนอยากเบิ้งหลวงคููหมั่นยีเล่าเป็นลำแจกเพือบู้มือมบอกคึ้นแล้วสมัยหลวงพือ้อมหลวงพือบกื้แล้วพันางสกุลเลย เบางสกุลเนบว่าอมานนะกะเทน่าดูสังทั้งขัตซะโอโรชยามะสาสโนอกันเจตพิภูโคโคโ ส, สังโฆสนสิบบริวารเจรวขจรวประกาศวา่ขาขาจรามาเพราะขจ้าเห็นเพิ่นสงวนบางสกุลหรอกครับขจ้าเขาเลยบางสกุลเอารอดเพิ่นเขาเลยสักบางสกุลหรอกครับตัดแห่งหลวงขจรมู่เพื่อนเริ่อท่าน เราเราฟูเราฟูมังแต่ว่ายุคอื่นเนี่ยเพื่อนก็เห็นในยุคบ้านหองผือโมเห็นนักเกลีบ้านหอผืนยุคบ้านหองผืนงาอยู่น้าซีภาษาโมเห็นัเีเพื่อนก็ยุหันหาปีบ้านห้องผือเน่เพื่อนปะยุทธะีงนัห้าจาปอยู่น้าสองพันเจสองเพื่นาไปแล้วเสียนรปานพีปีฟูอยู่นั่งนอหับกันปีกับปีโมเห็นโมเห็น ได้หาพนทางหหยพระเรียมเรียมสวนไว้เด้อเีย่ยมสวนกะทินพระเกียมมาอยู่บอกว่าหายนมะปรกเอาไว้จองเอาไว้ได้ไหครับจองเ่อไรน้นอง้มามาจองกินจองทานเนี่พยพคอยาก่ากอาบ้านตัวสอตัวใครอยากมาเข้ามามาจองกินจองทา น, า น, นาทำไมนอกออกเดี๋ยวนี้ร่ังวัดเขาลอดมาหาดทืมแต่ว่าลูกทิศ จังหวัดเกือกมเมืองไทยไปโอ่อมกันมือเดียวทอดใ้เตาหอดเกือบคำนเนื้อที่หนงจังหวัลายจีบ ล, ลาถั่หอยลายลากระเทเอานี่เรื่องแห่กันเรื่องแหกันไปไปทอดกับทิ้วัดอันวัดที่โบมีเนไมสมัยหลวงปู่มันจำรัอกกระทินนะสัน เขาหาราวัดแกพิสุทูยูจำมัรนสายในสถานที่นั้นวะสันมันเป็นสถานที่วันอื่นจะไปร่วมกันนะสันพนวะจะร่วมกันไมครับเขาที่วะันเขานับพระนะ ว, วาสันพระจำมรนสายอยู่บ้านวันนี้ไม่ทำเท่านี้เขากาของเขาว่าพอดีหรนวันอื่นผมจะมาร่วมกันในสมัยท่า น, นเล่าวาสันพนวะอยู่วัดโบพ้อเนาะครับแต่ว่ารังวัดนี้พระองค์สององค์อยู่จำมั่นสา ก็ปักกฐินเอาไว้เวลาเขามาทอดแต่นี้มนวัดอื่นมาให้ทอดเนี่ยหลวงพ่อมันไม่ทั้งสันหลวงพ่มันบอกพลวังซิถ้าจำพรรษาไม่พอห้าองค์ในวัดนั้นจะมาทอดกฐินมันก็มาสมบูรณ์เนี่ยพระบาลีลวงพ่อพวังมันมาสมบูรณ์นียพระบาลีหลวงพ่เห็ุต่อไม่พระหาพรรษาพระองค์จำพรรษาอย่างนีแล้วก็ทอดกฐินได้ โซ่เลยมันกับบอกว่าถือแล้วพรกัดทีนหาเงินเลยบอกว่าถือแล้วพี่ยิงห้าปัวจ้าหัวหาเงินโาจอกด้วยจักเจ้าหัวไหมเจ้าหัว เจ้าหัวก็แปลว่าพระผู้หญิงหาผวัวพระหาเงินพูดเป็นภาษาปากกลาง พ, พูดเป็นภาษากรพาษาไปผู้หญิงเจ้าหาผวัวเจ้าหัวหาเงิน ส, สมืติเป็นนิสสังแล้ว มันกับพใกล้แลวใกล้สมัยหลวงปู่ันหลวงปู่ันใ็้ตามพระวน่าอินีอิรองานย่อมผ้าพระพระผ้างาพระย่อมไปทอบกฐินงานกฐินนี้ด้วกันจะผ้าพระกฐินนานจะผ้าพระตอกฐินนี้มันกับพสมบูรณ์พระเวน่าพรมเวเขาเป็นเองน่าหน้าที่ของ ogi, urgency, fire, er, พระจะไปช่วงเนย มันเป็นกะถินวิยนยับเป็นกะถินวิยนยัอกออออออกกออก อ, อกัออกทาบตั ทำโมตามลัางให้โกเกิดมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธธรรมประสงค์ถึงไม่เกิดก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธธรรมพระสงค์อยู่ทุกเมื่อจะเป็นเทวดบุตรเทวราเป็นอินเป็นพรหมก็ตามจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะขอถึงที่พระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่มีประมาณเป็นสัจจปาลมีสัมปันูเป็นอธิษฐานปาลมีสัมปันู เป็นขันติปารมีสัมปโนเป็นธานาปารมีสัมปโนเป็นศีลปารมีสัมปโนเป็นหนีขมาปารมีสัมปโนเป็นขันติปารมีสัมปโนเป็นสัจจปารมีสัมปโนเป็นอสิฐานปารมีสัมปโนเป็นเมตตาปารมีสัมปโนเป็นนเวข้าปารมีสัมปโน ย่นลงมามีสามมีพุทโธธัมโมสังโผลันปโนทั <humid> ้งปโนถึงพร้อมแล้วพุทโธธัมโมทั้งโผมีฐานะสัมปโนสีสัมปโนอัญญาสัมปโนภาวนาสัมปโนการศีลภาวนาค่ะ คาสีเนประวิคขาสะอาเมอุทางสอนยอะสอนย่อปารามี33มามปาลมีสิบทักทานปารามีสัมปันโนให้ทานเสมอตนจินตนใช้ทานอุปปารามีสัมมโนให้เหนือไปกว่าที่ตนจินตนใช้ สารปรมัตถะปรมายสัมปโนโหให้ของห่วงที่สุดของตนเดินทานศีลปรมายสัมปโนโรักษาศีลธรรมดาศีละอุปปารมาสัมปโนโรักษาศีเลเคร่งไปกว่านั้นอีกศีลปรมัตถะปรมายสัมปโนโหิห้วข้าวจะตายด้วยหิ้วข้าวก็ตามถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ฉัน เรียว่าตัปธรรมะชีลาปธรรมะทปรมีสัมพโนเนคขมะปารมีสัมพโนออกบวชธรรมดาเนคขมะปูปารมีสัมพโนออกบวชเข่งไปกว่านั้นเนคขมะปารมัตถปรมีสัมพโนออกบวชแล้วไม่ลาศิกขาจะตายด้วยบวชก็ตามจะอดอยากด้วยบวชก็ตามจะไม่มีลาไม่อดด้วยบวชก็ตามจะไม่มี อะไรอยู่อะไรกินด้วยบวชก็ตามเรียกว่าเนี่ยขมมปรมีสั ม, มนโนปัญญาปรัมีสัมมนโนปัญญาในทางพระพุทธศาสนาธรรมดาปัญญาอุปปรัมีสัมมนโน ปัญญาละเอยียดไปกว่า น, นั้นปัญญาปรมัตถปรามีสัมปันโนจะตายโดยใช่ปัญญาก็ตามปัญญาเพื่อคนทุกนายวตาสงสารวิริยะปรามีสัมปันโนความเพียรเพียรขนาดกลาง วิริยะปรารมีสัมปันโนวิริยะอุปปาลมีสัมปันโนเพียรหนักไปกว่านั้นวิริยะปรมัตถะปรารมีสัมปันโนจะเสียชีวิตด้วยเพียรเพื่อคนทุกข์ในาัตาสองสามก็าตามยอมตา ย, ยอมตายยอมตายต่อความเพียร น, นั้นเช่นพรอเราม า, าศาสดานั่งภาวนานกระดูกจะหักระปุไปในวันนี้ก็าตาม จะเป็นจุนแล้วจุแไปวันนี้ก็าตามถ้าไม่สำเร็จว่าคนที่ผ่านเลวจะไม่ลูกหนีเรียกว่าเพียรอย่างอย่างเอาชีวิตแลกสัจจาน็นีสัมปันโนตั้งสัจจไว้พอขนาดได้ขนาดหนึ่ง สัจจะอุปปาลามีสัมโนตั้งสัจจะไว้เท่กว่านั้นสัจจะปรมัตถะปรมีสัปมสสปโนตั้งสัจจะไว้จะเสียชีว์เพื่อตั้งสัจจะก็ตามตั้งสัจจะในทางที่ชอบห ม, มายความว่าเราตั้งสัจจะไว้ในทางที่ชอบจะให้ทานก็ต้องทาให้ทานจริงจะรักษาศีลก็ต้องรักษา